สถานีวิทยุครบครั่าวศตรรษหนึ่งร้อยหกขปชาพระมหาภัยบุญอภิปุโนโมาพบกับท่านผู้ฟังตัแต่วันจันทร์ถึงวันศุกร์โดยในวันจันทร์ถึงวันพุธนั้นก็จะนําเรื่องราวที่เป็นพระสูตรบ้างเป็นคําอธิบายบ้างประเด็นที่น่าศึกษาจากตรงนั้นตรงนี้มากุยให้ท่านผู้ฟังฟังส่วนวันพฤหัสและวันศุกร์นั้นก็มาพร้อมกับคุณสรนสนีนาคพง์มาในการสักกาพูดคุย สิ่งที่เป็นธรรมะกันแน่นอนธรรมบุฟังนี้เป็นรายการธรรมะเป็นรายการที่เราจะนําคําสอนที่เป็นคําสอนของพระพุทธเจ้าที่เป็นต้นแบบเป็นแม่บทที่เมื่อถ้าเรานําไปใช้ไปปฏิบัติแล้วจะทำไม่เกิดความงามความดีในชีวิตของเราได้เรื่องราวที่นํามานี้ก็ามาจากคัมภีร์หลักฐานต่างๆที่อยู่ในชั้นพระไตรปิฎกซึ่งคัมภี์ต่างๆที่อยู่ในพระไตรปิฎกในธรรมบุฟัง เราเกิดมาในสมัยที่พระพุทธเจ้าไม่อยู่แล้วหลักฐานความรู้ข้อมูลอะไรต่างๆก็บันทึกกันมาบันทึกกันมามีการอธิบายขยายความมาไว้เป็นชั้นเป็นข้อมูลอยู่ในคัมภีร์ที่เราเรียกว่าเป็นพระไตรปิฎกเพราะฉะนั้นการที่เราจะไปศึกษาข้อมูลต่างๆเหล่านี้เพื่อที่จะให้ถึงคําสอนของพระพุทธเจ้าได้เนี่ยจะเป็นที่เราจะต้องสามารถที่จะแยกแยะได้ว่าไหนเป็นส่วนคําอธิบาย ไหนเป็นส่วนที่เป็นพุทธพจน์ไหนเป็นส่วนที่เสริมเติมขึ้นมาเพื่อให้เรามีความเข้าใจในชั้นของข้อมูลให้ได้อย่างถูกต้องความเข้าใจในเรื่องนี้เป็นเรื่องที่สําคัญผู้ฟังเพราะวะ่าสิ่งที่เป็นแม่บทอันนี้ต้องยกไว้เล ย, เลยแต่อันนี้สําคัญมากสิ่งที่เป็นแม่บทแล้วบางทีมันอาจจะมีส่วนที่เข้าใจยาก า, าก็ต้องมีคําอธิบายอ า, าใครเป็นคนอธิบายเหบองดีพระพุทธเจ้าอธิอบายคำของตัวท่านเองเหมือนดีก็เป็นสาวกอื่นๆอธิบายแต่อันนี้ก็เป็นชั้นเป็นชั้นลงมา ไอที่อธิบายนี้อาจจะเป็นเรื่องราวที่แต่งขึ้นมาอีก 2-300 ปีหรือพันปีถัดมาอันนี้ก็เป็นข้อมูลที่อีกชั้นอีกชั้นหนึ่งเข้าไปแต่เราฟังพิจารณาใกล้ครัวเนี่ยมันจะทําให้ความรู้เรากว้างขวางมีความแตกฉาน ร, รู้ได้รอบรู้ได้ทั่วไอความรู้รอบ ร, รู้ทั่วความเข้าใจแจ่มแจ้งตัวนี้แหละตะบูฟังที่เราสามารถศึกษาได้จากในพระไตรปิฎกได้อย่างไม่จบไม่สิ้นเลยและทั้งชีวิตก็สามารถศึกษาได้ แล้ที่สําคัญทัางผู้ฟังที่ตัวแม่บทอันนี้สําคัญที่สุดเลยแต่ไม่ว่าเราจะมีความเข้าใจไปกว้างขวางแจ่มแจ้งแตกแขนงไปยังไรก็ตามก็ต้องกลับมาที่ตัวแม่บทเพราะว่าที่เขาแตกแยกกระชายอธิบายออกไปก็มาจากที่เป็นพระพุทธเจ้าอธิบายเอาไว้ตรงนี้แต่พระเจ้าก็จึงนําเรื่องราวต่างๆเราเนี่ยทั้งที่เป็นกคำอธิบายบ้างเป็นนิทานบ้างเป็นพุทธพจน์เป็นพระสูตรมาให้ทัางผู้ฟังได้ฟัง เพื of our of our. ่ความหลากหลายในการฟังธรรมะของเราท่านผู้ฟังและในช่วงนี้ตั้งแต่วันจันทร์เป็นต้นมาข้าพเจ้าได้นาเรื่องของพระเจ้า ว, วิทูตภะมาให้ท่านผู้ฟังได้ฟังกันแต่ตั้งแต่ตอนแรกในวันจันทร์ได้ฟังช่วงตอนที่เกี่ยวกับพระเจ้าเปรติโกศลทําไมพระเจ้าเปรติโกศลถึงได้ถือกําเนิดให้กับวิทูตภะได้และในวันอังคารก็ได้ฟังเรื่องเกี่ยวกับเพื่อนของพระเจ้าเปรติโกศล ที่ชื่อว่าพันธุละซึ่งพันธุลานี่มีวิชาวิทยาหยุดสุดยอดมากในการที่จะใช้ธนูสามารถจะกำจัดเจ้ามาริทั้ง500คนด้วยการยิงธนูเพียงดอกเดียวและในวันนี้ก็จะได้ให้ฟังตอนสุดท้ายท่ผู้ฟังเป็นจุดจบของพระเจ้าวิทุตปานหนินงซึ่งเรื่องในตอนเดิมนั้นก็ถึงจุดที่พระเจ้าปเปเชนติโคโซนได้วางแผนฆ่าพันธุละเสนาบดีพอทําไปเสร็จเรียบร้อยแล้ว มีความร้อนใจมีความไม่สบายใจก็จึงแต่งตั้งให้หลานของพันธุลัเสนาบดีชื่อว่าทีฆะกเรยณะขึ้นเป็นเสนาบดีแทนตรงนี้แหละท่านผูฟังเป็นความผิดพลาดของพระชจ้าเปร็นิี่โกศลทำให้ตัวโปร่งเองถึงต้องจบชีวิตลงไปเรามาฟังเริ่มตอนนี้เราก็จะได้ไปต่อถึงจุดที่ว่าพระชาเปร็นที่โกศลหลังจากสูญเสียราชบัลลังก์แล้วให้กับลูกของตัวเอง คือพระชาวิทุตภะแล้วพระชาวิทุตภะเนี่ยไปเสียท่าตอนไหนถึงได้สิ้นชีวิตสวน ก, กฎ์ได้เรามาฟังเรื่องนี้กันต่อตอนที่พระชาเปอร์เซนต์ดิโกโซลมีความเสียใจจากการตายไปของพันธุลเสนาบดีฝ่ายพระราชาได้พระราชทานตำแหน่งเสนาบดีแก่ทีคะการายนะผู้ซึ่งเป็นล้านพันธุลัเสนาบดีก็ทีคะ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 ตอนพระราชาสวรรคตพรั้งนั้นพระศาสดาทรงอาศัยนิกมชื่อเมทลุปะของพวกเจ้าสาคยะประทับอยู่พระราชาเสด็จไปในที่นั้นแล้วทรงให้ตั้งค่ายในที่ไม่ไกลาจากพระอารามแล้วเสด็จไปวิหารด้วยบริวารเป็นอันมากด้วยทรงดำริว่าจะถวายบังคมพระศาสดา จึงได้ฝากเรื่องราชะกะกุธภัณฑ์ทั้งหคือพระขันธ์เสมทรชัดมงกุฎสลองพระบาทและพัดวาลวิชณีไว้แก่ทีคะกรยานะนั้นเมื่อฝากเรื่องราชะกะกุธภัณฑ์ทั้ง5ไว้แล้วจึงได้เสด็จเข้าสู่พระขันธกุดีของพระศาสดาเพียงลําพังพระองค์เดียว พึงทราบเรื่องราว ท, ทั้งหมดโดยตำนองแห่งธรรมเจติยสูต ร, รเมื่อพระองค์เสด็จเข้าสู่พระคันธ ก, กุฎีแล้วที่ค้าการยานะนั้นจึงถื อ, เ, อเรื่องราชากกุธภันเหล่านั้นทำวิตุตภะให้เป็นพระราชาเหลือม้าไว้ตัวหนึ่งและหญิงผู้เป็นพนักงานอุปถากคนหนึ่งแล้วได้กลับไปสู่เมืองสาวัตถี พระราชาตรัสปิยกถากับพระศาสดาแล้วสเสด็จถอกไม่ทรงเห็นเหล่าเสนาจึงตรัสถามยิงนั้นเมื่อทราบเรื่องนั้นแล้วจึงทรงดำริว่าเราจะพาหลานไปจับมิทุเพะดานี้แล้วสเสด็จไปกรุงราชจุรึกสเสด็จถึงพรรณกรเมื่อประตูบรรณกรอันเขาปิดแล้วในเวลาวิการ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 เขาเธอสรงรับสั่งให้ทำสตรีรกิจของพระเจ้าลุงด้วยสักการะใหญ่ตอนพระเจ้าวิตุตปะเสด็จไปพบพระศ า, ศาสดาแม้พระเจ้าวิตรุตปะได้ราชสมบัติแล้วทรงระลึกถึงเวรนั้นทรงนําริว่าเราจะยังเจ้าสาขยะแม้ทั้งหมดให้ตายณนี้แล้วจึงเสดออกไปด้วย หมู่เสนาอันใหญ่ในวันนั้นพระศาสดาทรงตรวจดูโลกในเวลาใกล้รุ่งทรงเห็นความพินาตแห่งหมู่พระญาติแล้วทรงดำมริว่าเราควรกระทำญาติสังหะคือการทรงเคราะญาตก็ในเวลาเช้าเสด็จเที่ยวไปเพื่อบินดาบาทเสด็จกลับจากบินดาบาดแล้วทรงสำเร็จศียสัาสา ย, ยา ในพระคันธกุฎีในเวลาเย็นเสด็จไปทางอากาศประทับนั่งที่โคนไม้มีเงาโปร่ปรงใกล้เมืองกบิลพัสแต่นั้นไปมีต้นไทรเงาเย็นสนิทต้นใหญ่ต้นหนึ่งอยู่ในราชสีมาของพระเจ้า ว, วิทุตปะพระเจ้า ว, วิทูตปะทอดบระเนตเห็นพระาศาสดา จึงเสด็จเข้าไปถวายบังคมแล้วพราบทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญเพราะเหตุไรพระองค์จึงประทับนั่งแล้วที่โคนไม้เงาโปร่ปรปรงเช่นนี้ในเวลาร้อนเห็นป่านนี้ขอพระองค์โปรดประทับนั่งที่โคนต้นใจมีเงาอันเสดิจนั้นเถิดพระเจ้าข้าเมื่อพระศาสดาตรัสตอบว่าช่างเถิดมาบปิฏ ชื่อว่าเงาของหมู่พระญาติเป็นของเย็นพระชา ว, วิจุตปะจึงได้ทรงดำริว่าพระศัสดาจะเสด็จมาเพื่อทรงประสงค์รักษาหมู่พระญาติจึงถวายเมืองกมพระสัสดาเสด็จกลับไปสู่เมืองสาวัตินั่นแหละแม้พระสัสดาก็ทรงเหาะไปสู่เชตะวันเหมือนกันพระราชาทรงระลึกถึงโทษแห่งพวกเจ้าสากยะ เสด็จออกไปแม้ครั so ้งที่สองท่พระเนตเห็นพระศาสดาในที่นั้นนั่นแหลก็เสด็จกลับอีกและเสด็จออกไปแม้ครั้งที่สามทประเนตเห็นพระศาสดาในที่นั้นนั่นแหลก็เสด็จกลับแต่เมื่อพระชา้าวิตรุตาบ้านั้นเสด็จออกไปในครั้งที่สพระศาสดาทรงพิจารณาเห็นบุรพกรรม ของเจ้าสาขยะทั้งหลายทรงทราบความที่กรรมอันลามกคือการโปรยาพิษในแม่น้าของเจ้าสาขยะเหล่านั้นเป็นกรรมอันไกลไกลห้ามไม่ได้จึงไม่ได้เสร็จไปในครั้งที่สพระเจ้าวิตรทบะเสด็จออกไปแล้วด้วยกองพลนันใหญ่ด้วยพระดำริว่าเราจะฆ่าพวกเจ้าสาขยะตอน พระเจ้าวิตุตปะข่าพวกสักยะก็พระยายทั้งหลายของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าชื่อว่าไม่ฆ่าสัตว์แม้จะตาอยู่ก็ไม่โปร่งชีวิตของเหล่าสัตว์อื่นเจ้าสักยะเหล่านั้นคิดว่าพวกเราฝึกหัดฝีมือแล้วมีเครื่องผูกสอดอันทำแล้วหัดปรือไว้มากแต่พวกเราไม่อาจปร่งสัตว์อื่นจากชีวิตได้เลย พวกเราจะแสดงกรรมของตนแล้วให้หนีไปเจ้าสาคยะเหล่านั้นจะมีเครื่องผูกสอดท่า น, นกระทำแล้วจึงเสด็จออกเริ่มการยุตธลูกศรที่เจ้าสาคยะเหล่านั้นยิงไปไปตามระหว่างระหว่างพวกบุรุษของพระเจ้าวิสุทธะพะออกไปโดยช่องโลและช่องหูเป็นต้นพระเจ้าวิทุทธะพะถ้าพระเนตรเห็น จึงตรัสว่าพระนายพวกเจ้าสากยะย่อมตรัสว่าเป็นผู้ไม่ฆ่าจัตดไม่ใช่หรือก็เมื่อเช่นนี้ฉนพวกเจ้าสากยะจึงยิงบุรุษของเราให้ชิบหายเล่าลําดับนั้นบุรุษคนหนึ่งจึงกราบทูลกับพระเจ้าวิตรุตปานั้นว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญพระองค์ทรงตรวจสอบดูแล้วหรือพระเจ้าวิตรุตปะ พวกเจ้าสาคยะยังบุรุษของเราให้ชิบหายบุรุษผู้นั้นบุรุษใร่ไรของพระองค์ชื่อว่าตายแล้วย่อมไม่มีขอเชิญพระองค์จงรับสั่งให้นับบุรุษเหล่านั้นเถิดพระเจ้าวิสุทธะเมื่อรับสั่งให้นับดูไม่ทรงเห็นหมดไปแม้คนหนึ่งท้าเธอเสด็จกลับจากที่นั้นแล้วปรัดว่าพนายคนเหล่าใดเหล่าใดบอกว่า พวกเราเป็นเจ้าสากยะท่านทั้งหลายจงฆ่าคนเหล่านั้นทั้งหมดแต่จงให้ชีวิตแก่คนที่ยืนอยู่ในสำนักของเจ้าสากยะมหานามะผู้เป็นพระชาตาของเราเจ้าสาคยะทั้งหลายไม่เห็นเครื่องถือที่ตนบึงถือเอาบางพวกคาบหญ้าบางพวกถือไม้ออยืนอยู่ทูเขาถามว่าท่านเป็นเจ้าสากยะหรือไม่ พระเหตุที่เจ้าสากยะเหล่านั้นแม้จะตายก็ไม่พูดคำเท็จพวกที่ยืนคาบหญ้าอยู่แล้วจึงกล่าวว่าไม่ใช่เจ้าสากยะเป็นหญ้าพวกที่ยืนถือไม้อ้อก็กล่าวว่าไม่ใช่เจ้าสากยะเป็นไม้อ้อเจ้าสากยะเหล่านั้นและเจ้าสากยะที่ยืนอยู่ในสำนักของท้ามานามะได้ชีวิตแล้ว บรรดาเจ้าสากยะเหล่านั้นเจ้าสาคยะที่ยืนคาบหญ้าได้ชื่อว่าเจ้าสากยะหญ้าพวกที่ยืนตือไม้ออชื่อว่าเจ้าสากยะไม้ออพระเจ้าวิสุทตะปรับสั่งให้ค่าเจ้าสาคยะอันเหลือทั้งหลายไม่เว้นตารกแม้ยังดื่มนมยังแม่น้ำคือโลหิตให้หลไปแล้วรับสั่งให้ล้างแผ่นกระดาน ด้วยโลหิตในลำคอของเจ้าสาคยะเหล่านั้นสรรากยะวงหันพระเจ้าวิทูตภะเข้าไปตัดแล้วด้วยอาการอย่างนี้พระเจ้าวิทูตพะนั้นรับสั่งให้จับเจ้าสรรากยะมหานามะแล้วจึงเสด็จกลับในเวลาเสเวยพระขยะอาหารเช้าทรงดมบีว่าเราจะเสเวยอาหารเช้าดังนี้แล้ว ทรงแวะในที่อย่างหนึ่งเมื่อโภชนะอันบุคคลนำเข้าไปถบายรับสั่งให้เรียกพระเจ้าตามาแล้วด้วยพระดารัดว่าเราจะเสวยร่วมกันตอนมานากษัตแต่กษัตทั้งหลายถึงจะสละชีวิตก็ไม่ยอมเสวยร่วมกับบุตรของนางตาสีเพราะฉะนั้นเจ้ามหานามะถ้าพระเนตรเห็นสาสตหนึ่ง จึงตรัสว่าเรามีร่างกายอันสกปรกพ่อเราจะอาบน้ำพระเจ้าวิสุทธะตรัสว่าดีละพระเจ้าตาเชิญพระเจ้าตาอาบน้ำเถิดเจ้ามหานามะมีความคิดว่าพระเจ้าวิสุทธะปานี้จะฆ่าเราผู้ไม่บริโภคร่วมการตายของเราเท่านั้นประเสริฐกว่าดังนี้แล้วจึงทรงสยายผม จอดหัวแม่เท้าเข้าไปในผมขอดให้เป็นปมที่ปลายดำลงไปในน้ำและด้วยเดชแห่งคุณของเท้ามหานามะนั้นนาคพบก็แสดงอาการร้อนพญานาคใครครวนว่านิ้วเรื่องอะไรกันเนาเห็นแล้วจึงมาสู่สำนักของเท้ามหานามะนั้นให้ท้ามหานามะประทับบนพังผานแล้วจึงเสด็จไปสู่พบ แห่งนาคตาหานามานั้นอยู่ในภพแห่งนาคนั้นนั่นแหลสิ้นสิบสองปีฝ่ายพระเจ้าวิทูทปะ พ, พระทับนั่งคออยู่ด้วยทรงดำริว่าพระเจ้าตาของเราจะมาในบัดนี้เมื่อตาหานามานั้นชักช้าอยู่จึงรับสั่งให้คนคนในสระตรวจ ด, ดูแม้ระหว่างแห่งบุตษด้วยแสงประทีป ไม่เห็นแล้วจึงเสด็จหลีกไปด้วยชฉนดบริว่าพระเจ้าตาจัดเสด็จไปแล้วตอนพระเจ้าวิตรุตปะถูกน้ำท่วมสวรรคตพระเจ้าวิตรุตปะนั้นเสด็จถึงแม่น้าอาจีรวดีในเวลาราตรีรับสั่งให้ตั้งค่ายแล้วคนบางพวกนอนแล้วที่หาจีรายภายในแม่น้าบางพวกนอนบนบก ในภายนอกแม้มรรดาพวกที่นอนแล้วในภายในพวกที่มีบาปกรรมอันไม่ได้กระทำแล้วในก่อนก็มีอยู่แม้มรรดาพวกที่นอนในภายนอกผู้ที่มีบาปกรรมอันได้กระทำแล้วในก่อนก็มีอยู่มดแดงทั้งหลายเกิดขึ้นแล้วในที่ซึ่งคนเหล่านั้นนอนแล้วจนเหล่านั้นกล่าวกันว่ามดแดงตั้งขึ้นแล้วในที่เรานอนแล้ว มดแดงเกิดขึ้นแล้วในที่ที่เรานอนแล้วเขาจึงลุกขึ้นพวกที่มีบาปกรรมอันไม่ได้กระทำแล้วลุกขึ้นไปนอนบนบกพวกที่มีบาปกรรมอันกระทำแล้วลงไปนอนเหนือหาดทรายในขณะนั้นมหาเมฆตั้งขึ้นยังฝนลูกเห็บให้ตกแล้วห่วงน้ำหลากมาพัดพระเจ้าวิตุตปะพร้อมด้วยบริษัท ไปสู่มาหาสมุทรนั่นแหละส่วนทั้งหมดได้เป็นเหยื่อแห่งปลาและเต่าในมาหาสมุทรนั้นแล้วมาหาชนสนทนากันว่าความตายของเจ้าสากยะทั้งหมดไม่สมควรเลยความตายที่พวกเจ้าสักยะถูกพระเจ้าวิจุธภะทุบแล้วทุบแล้วอย่างนี้ให้ตายจึงไม่สมควรตอนพวกเจ้าสากยะตายสมควรแกบุรพกรรม พระศาสดาทรงสดับคำนั้นแล้วจึงตรัสว่าพิกษุทั้งหลายความตายอย่างนี้ไม่สมควรแก่เจ้าสากยะทั้งหลายในอัตภาพนี้ก็จริงถึงอย่างนั้นความตายที่พวกเจ้าสากยะนั้นได้แล้วก็ควรโดยแท้ด้วยอำนาจแห่งกรรมลามกที่เขาทำไว้ในปางก่อนถ้าแต่พระองค์ผู้เจริญ ก็เจ้าสากยะทั้งหลายนั่นได้กระทํำกรรมอะไรไว้ในบางก่อนพระศาสดาในบางก่อนพวกเจ้าสากยะนั้นรวมเป็นพวกเดียวกันโปรยยาพิษหนแม่น้คาคนในวันรุงขึ้นพิกสุตหลายพากันสนทนาในโรงต่ำบ้าพระเจ้าวิจุธภะอย่างเจ้าสาักยะทั้งหลายประมาณเท่านี้ให้ตายแล้วเสด็จมาอยู่ เมื่อมโนรถของตนยังไม่ถึงที่สุดนั่นแลพาชนมีประมาณเท่านั้นไปเป็นพักษาแห่งปลาและเต่าในมหาสมุทรแล้วพระศาสดาเสด็จมาแล้วจึงตรัสถามว่าภิกษุทั้งหลายปัดนี้พวกเธอนั่งประชุมกันด้วยกระาอะไรเนาะเมื่อภิกษุเหล่านั้นกราบทูลว่าด้วยกระาชื่อนี้พระชาา้าพระศาสดาก็ตรัสว่า พิสษุทั้งหลายเมื่อมโนรถของสัตว์เหล่านี้ยังไม่ถึงที่สุดนั่นแลมัจจุราชตัดชีวิตตินสี่แล้วได้จมลงในมหาสมุทรคืออบายสี่ประดุษห่วงน้ำใหญ่ท่วมทับชาวบ้านอันหลับไหลฉะนนั้นดันนี้แล้วจึงได้ตรัสคำที่เป็นคาถาซื่อหมว่าบุพพานิเหวะปะจินันตัง พยาสัตต์มณสังนรังสุดตังคามังมหโหโควะมัจจุอาทยะกัจติแปลว่ามัจจุย่อมพานระผู้มีใจคล้องในอารมณ์ต่างๆผู้เลือกเก็บดอกไม้อยู่เที่ยวไปเหมือนห้วงน้ำใหญ่พัด ช, ชาบ้านอันหลับไหลไปฉะนั้นนบรรดาคำเหล่านั้นคำว่า พยาสัตตะมณะสงนรังแปลว่านะละผู้มีใจคล่องในอารมณ์ต่างๆหมายความว่าผู้มีใจคล่องแล้วในอารมณ์อันถึงพร้อมแล้วหรืออันอยังไม่ถึงพร้อมแล้วพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสคมอธิบายนี้ไว้ว่านายมาลาการเข้าไปสู่สวนดอกไม้โดยคิดว่าจะเก็บดอกไม้ทั้งหลายแล้วไม่เก็บ เอาดอกไม้จากสวนนั้นปรารถนาก่ออื่นๆชื่อว่าทรงใจไปในสวนดอกไม้ทั้งสิ้นหรือคิดว่าเราจะเก็บดอกไม้จากก้อนนี้แล้วไม่เก็บเอาดอกไม้จากกอนั้นย่อมส่งใจไปในที่อื่นเลือกอยู่ซึ่งก่อไม้นั่นเองชื่อว่าย่อมถึงความประมาทชนใดดาราบางคนก็จะนั้นเหมือนกัน ยังลงสู่ถามกลางกามคุณห้าเช่นกันกับส่วนดอกไม้ได้รูปอันชอบใจแล้วปรารถนากลิ่นรสปุถัมอันเป็นที่ชอบใจยังได้อย่างหนึ่งหรือได้บรรดาอารมณ์มีเสียงเป็นต้นเหล่านั้นยังได้อย่างหนึ่งแล้วยังปรารถนาอารมณ์ยังหนึ่งต่อไปหรือได้รูปนั้นแหละแล้วยังปรารถนาอารมณ์ ยังได้อย่างหนึ่งอยู่ชื่อว่าย่อมยินดีอารมณ์นั้นนั่นแหละหรือได้บรรดาอารมณ์มีเสียงเป็นต้นยังได้อย่างหนึ่งแล้วปรารถนาอารมณ์ยังได้อย่างหนึ่ ง, าา ง, ง, งชื่อว่าย่อมยินดีอารมณ์อันตนได้แล้วนั้นในสะวิญญาณกากาศพั์และอัวิญญาณกากาศพั์คือรั์ที่มีวิ ญ, ญญาณและไม่มีวิญญาณมีโค ร, ระบือทาสี ชาตนาสวนบ้านนิคมและชนบทเป็นต้นก็ในยา น, นั่นแหละในบริเวณมิหารและปัจจัยมีบาทและจีวรเป็นต้นแม้ของบรรพชิตก็ในยานั้นเหมือนกันมันจจุย่อมพานระผู้มีใจคลองในกามุคุนหันถึงพรามแล้วหรืออันอยังไม่ถึงพรามแล้วซึ่งกำลังเลือกเก็บดอกไม้ เราคือการมุคุณห้าอยู่อย่างนี้ด้วยประการชนี้คำว่าสุดตังกามังแปลว่าชาวบ้านผู้หลับหลแล้วหมายความว่าชื่อว่าการหลับด้วยสามารถแห่งการหลับแห่งทภพะาสัม bara ทั้งหลายมีฝาเรือนเป็นต้นแห่งบ้านย่อมไม่มีแต่บ้านชื่อว่าอันหลับแล้วก็ราะเปรียบเทียบความที่สัตว์ทั้งหลาย เป็นผู้ประมาทแล้วเพียงดังว่าหลับแล้วมัจุพานราไปดุดห่วงน้ำใหญ่หันกว้างและลึกสองถึงสามโยดพัดพาชาวบ้านที่หลับแล้วอย่างนั้นไม่อยู่ฉะนั้นคือว่าห่วงน้ำใหญ่นั้นพัดพาชาวบ้านนั้นทั้งหมดสู่มหาสมุทรไม่ให้สัตว์ไรๆไร้ในบรรดาสตรีบุรุษโค กระบือและไก่เป็นต้นเหลือใบทำให้เป็นผักษาของปลาและเต่าชั้นใดมัจุราชคือความตายพานรผู้มีใจข้องแล้วในวรมต่างต่างคือตัดอินรีคือชีวิตคอนรานั้นให้จมในมาหาสมุทรคืออบายทั้งสี่ก็เะ่นนั้นเหมือนกันในเวลาจบธรรมเทศนาชนทั้งหลายเป็นอันมากบรรลุเรียบผลทั้งหลาย มีสดาปฏิผลเป็นต้นแล้วเทศนามีประโยชน์แก่มหาชนดังนี้แหละเรื่องพระเจ้าวิจุตภะจบหลังจากที่ฟังเรื่องของพระเจ้าวิจุตภะแล้วสิ่งที่เราจะต้องทําความเข้าใจในที่นี้ก็คือว่ากลับที่ตัวแม่บทก่อนตัวแม่บทที่พระพุทธเจ้าได้ตรัสแล้วก็ปรารบเรื่องของพระเจ้าวิจุตภะนั้นก็คือคนที่ประมาทคนที่มีความประมาท มีใจคล่องไปในอารมณ์ต่างๆแล้วเนี่ยก็จะถูกกระแสของตันหาของอวิชชาพัดพาไปไปอย่างนี้ก็มีความประมาทละก็เลยยกตัวอย่างของพระชาวิจุตปาเนี่ยมาเป็นเรื่องที่ประกอบในที่นี้เรามาทบทวนเรื่องในที่นี้ครั้งหนึ่งตามฝั่งเพราะว่ามีประเด็นที่น่าสนใจอยู่ทั้งหมด 4-5 ประเด็นด้วยกันที่ถ้าเมื่อเราทําความเข้าใจในเนื้อเรื่องต่างๆเหล่านี้แล้วจะทําความแจ่มแจ้งในนิทานนี้ได้อันดับแรกก่อนก็คือว่า ตัวพระชาปเสนที่โกศลเองลืมไปที่จะไปถวายอาหารให้พระสงฆ์ทําให้พระสงฆ์เองเนี่ยก็ไม่ได้อยู่รอหลายวันเข้าหลายวันเข้ า, า, ขาก็เหลือแค่ท่านพระอนน์รูปเดียวทีนี้พระประชาจ้าก็สอนนะท่านผั ง, งพระพุทธเจ้าก็สอนพระชาปพพเสนที่โกศลว่าความคุ้นเคยเนี่ยคือญาติอย่างยิ่งในคือในพระสูตรอื่นได้เคยตรัสเอาไว้โดยได้ยกตัวอย่างถึงในสมัยชาติก่อ น, อนที่พระองค์เกิดเป็นเกวลดาบด อาศัยความคุ้นเคยกันกับพวกลูกศิษย์จึงจะไม่มีการอยู่ร่วมกันก็สบายใจดีก็พูดง่ายๆละ่ะคือไม่จําเป็นที่จะต้องไปเป็นญาติไปเป็นเกี่ยวดองกันกับสายสากยะก็ได้แค่ว่าถ้ามีความคุ้นเคยกันก็เหมือนเป็นญาติกันแล้วแต่ว่าพระเจ้าเปรตทีิโคศนตรงนี้ก็ไม่เข้าใจท่านผู้ฟังก็จึงเป็นเหตุให้ไปขอสตรีมาเป็นภรรยามาเป็นเมยียศีขอจากไหนก็ขอจากหมู่ญาติของพระพุทธเจ้าก็คือสากยะ ต, ตระกูล ขงศากยในตะบูฝั่งมีมานะสูงมากแต่คือเขามีความคิดว่าตระกูลของเขาเนี่มีความบริสุทธิ์กันมากไม่ต้องการให้เชื้ออื่นวงอื่นมาเกี่ยวดองด้วยก็เลยจึงทําแผนกันละเอาลูกของนางทาสีมาให้เป็นเมสีของพระเจ้าเปรตทีิโกรธนซะตรงนี้จึงเป็นจุดที่กําเนิดของพระเจ้าวิถุตปานนั่นเองซึ่งพอพูดถึงพระเจ้าวิถุตปาณแล้วเรื่องที่มันมาเกี่ยวข้องกัน อีจุดหนึ่งที่ทําให้พระเจ้าวิทุรธบะได้ขึ้นกรองราดก็เกี่ยวข้องกับพันธุลเสนาบดีหล้านของพันธุลเสนาบดีที่ชื่อว่าทีฆาการยนะเนี่ยตอนนั้นปเปอร์อิญได้รับตําแหน่งเป็นเสนาบดีแทนพันธุละเพราะว่าพันธุลันี่ถูกลอบฆ่าที่พันธุลัถูกลอบฆ่านี่เพราะว่าถูกใส่ความโดยพว้อมารด์อื่นๆและในนิทานนี้เขก็อธิบายถึงความสามารถของพันธุ ล, ะละัล่ะ ทำให้เราได้ฟังเรื่องราวที่ค่อนข้างบูล้างผล u r a ของพันธุละที่สามารถใช้วิชายิงธนูยิงทะลุไปใส่แตกใส่อะไรเรียบร้อยแล้วแต่เจ้าตัวที่ถูกยิงนั้นยังไม่รู้ด้วยซ้ำมีพลังมีวิทยายุทสูงมากและทำไม้เราเห็นถึงความสามารถนี้ก็ต้องมาคู่กับ EQ ด้วยเพื่อที่จะไม่เป็นภัยกับตัวเอง3จุดที่สาคัญตรงนี้มาต่อกันทั้งฟังพันธุละผู้มีความเข ก, กล้าสามารถ ผิดพลาดในตรงนั้นตรงนี้นิดหน่อยถูกฆ่าตายแล้วจึงทําให้ทีฆากรายานะผู้เป็นหลานได้เป็นเสนาบดีแทนจุดที่ทีฆากรายานะได้เป็นเสนาบดีแทนตรงนี้แหละเตมูฝั ง, งที่ทําให้วิทูตะปะขึ้นกรองราดได้เพราะว่าทีฆากรายานะนี่เขาก็หาโทษใส่พระราชาละ่ะไม่ชอบใจกันพอมีจังหวะที่พระราชาเผลอพระราชาในที่นี้ก็คือพระชาประสิทธิโกศล ไปเฝ้าพระพุทธเจ้าลแล้วเอาเครื่องราชกกุธภัณฑ์มามอบให้กับวิทุธาภะขึ้นครองราชตรงนี้มีรายละเอียดนิดหนึ่งตัวฝังทําไมถึงเอามาให้กับวิทูธาภะและทําไมวิทูธาภะถึงรับแต่ที่เอามาให้กับวิทูธาภะนั้นเพราะว่าวิทูธาภะเนี่ยเป็นมังกรรา ช, ชกุมารแต่คือเป็นคนที่จะขึ้นครองราชองค์ต่อไปละ่ะทีแคะกริยนนาเสนาบดีนี่ไม่ชอบพระราชาองค์เดิมแล้ว ไม่ชอบพระชาปนเปรียณที่โกศลแล้วก็เลยสถาปนาพระราชาองค์ใหม่ที่มีศักดิ์ขึ้นกรองราชแทนทำไมวิตูทพัซึ่งเป็นลูกถึงยอมรับราชสมบัตินั้นเพราะว่ามีรายละเอียดตรงนี้ที่เขาอธิบายไว้อยู่ในธรรมเจติยสูตรว่าทีคะกริยนาเนี่ยไปคุยในลักษณะที่ว่าถ้าวิตูทพัไม่รับเดี๋ยวฉันจะเอาเองนะวิตูทพัก็เลยจเป็นที่จะต้องรับราชสมบัตินี้ เราก็ประกอบกับความแค้นด้วยตัมบูฟังเพราะว่าถ้าขึ้นกรองราชแล้วสามารถที่จะบัญชาการได้ทุกอย่างละ่ะมีความแค้นกับพวกเจ้าสากยะที่เอาน้ําผสมกับน้ำนํำนมมาล้างที่นั่งของตัวเองทําให้เสียหน้าจนกระทั่งถูกปลดออกจากตําแหน่งมกุฎราชกุมารแต่ดีที่พระพุทธเจ้ามาช่วยอธิบายให้พระเจ้าเปเสนธิโกรธสนทราบถึงความที่ฝ่ายชายเป็นใหญ่ในเรื่องของ ระกูลที่สืบเชื้อสายกันมาและในที่สุดตะบูฟังเมื่อวิตุตะบะได้ขึ้นกรางรานแล้วเรื่องทั้งหมดนี้ก็ชงกันมาเพื่อที่จะลงมาถึงจุดจบของเจ้าสักยะอันนี้ก็คือสอดคล้องกับในประวัติศาสตร์เรือนะ่องตะบูฟังเพราะว่าหลังจากที่กรุงกบิลพัทถูกโจมตีครั้งนั้นคนตายมากเด็กกรุงกบิลพัทก็ถูกย้ายมาล่นมาอีกประมาณสักหกิกิโลเมตรหลังจากนั้นพวกที่หนีรอดมาได้ บางส่วนก็ตั้งรกรากอยู่ที่ศีลังกาในปัจจุบันแล้วก็หลักฐานทางโบราณคดีเนี่ยเขาก็ไปพบเมืองกบิลพัทอยู่สองตำแหน่งด้วยกันตรงนี้ก็เลยทําให้มีการสันนิษฐานว่าหลังจากที่ถูกบุกรุกถูกทำร้ายครั้งนั้นยิ่งใหญ่มากก็เลยถอยเมืองออกมาอีกประมาณ60กิโลเมตรในเรื่องนี้เราจะเห็นว่าเรื่องของกรรมนี่เห็นได้ชัดเจนพระเจ้าปเปชเชนิโกชนก็ตาย อย่างที่ไม่ค่อยสมควรเท่าไหร่พันธุระเองก็ตายแบบไม่ค่อยสมควรเท่าไหร่มีตุตภะเองก็สวรรคตรตายอย่างที่ไม่สมควรเท่าไหร่แต่เรื่องนี้ก็เป็นเรื่องของการมที่สร้างสมควรมาเราฟังเรื่องนี้แล้วให้ตั้งอยู่ในความไม่ประมาทเท่าบูฟังให้ตั้งอยู่ในความไม่ประมาทในการที่จะสร้างสมความดีไม่เบียดเบียนผู้อื่นให้รู้จักมีปัญญาในการที่จะไตรกลืนทางคําสอนของพระพุทธเจ้า เราก็จะเป็นผู้ที่สามารถทวนกระแสของตัณหาของอวิชชาตั้งอยู่ในธรรมได้ไม่เป็นผู้ที่ถูกพัดไปแต่เป็นผู้ที่สามารถจะว่ายตัดกระแสเข้าสู่ฟังการว่ายตัดกระแส็คือการทำความเพียนเข้าสู่ฟังก็คือถึงนิพพานได้วันนี้เวลาหมดแล้วท่านผู้ฟังข้าพเจ้าพระหมหาภัยบูรนาพิปุโ น, โนจะว่ปะาปปาดออนไโศกพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้จเจริญบ่อน